ทีนี้ต่อไปนะพี่เจรณารูปโดยความเป็นอนัตตาเลยที่ว่าไปไม่เก่ง อ, อนัตตานี้ก็คือไม่เป็นไปในอำนาจหนึง่งไม่เป็นเจ้าของหนึ่งว่างเปล่าหนึ่งปฏิเสธอัตตาหนึ่งนะบรรดาเหตุสี่อย่างนั้นใครใครก็เป็นผู้ไม่มีอำนาจในรูปนี้ว่าขอรูปที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงความตั้งอยู่ ในขณะเกิดบอกให้ตั้งได้ไหมคนละขณะกันใช่ไหมขอรูปที่ถึงความตั้งอยู่จงอย่าแก่ขอรูปที่แก่แล้วจงอย่าแตกทําลายขออย่าลําบากด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเลยความข้อนี้นั้นเป็นอัตว่าไม่อยู่ในอํานาจของรูปนั้นคือเขาก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอะ่ะคือรูปก็เป็นไปตามสมุดฐานถ้ามีสมุดฐานพร้อมแล้วเราจะบอกว่าอย่ามีนะได้ไหมไม่ได้ถ้าปัจจัยของรูปมีแล้วเนี่ย อ่าถ้าจิตเกิดขึ้นแล้วไม่ให้ทําจิตแตชรูปได้ไหมถ้าชาวนะจิตมไม่ได้เพราะนัเมื่อจิตเกิดขึ้นชาวนะจิตต้องต้องเกิดขึ้นอ่าชาวนะจิตเกิดขึ้นปุ๊บจิตตชรูปต้องเกิดขึ้นเ ม, มื่มอปัจจัยพร้อมรูปต้องเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเราบอกอย่ามีนะยายาอย่ายาอย่างเดียวไม่พอหรอกอใช่ไหมเมื่อวิบากจิตเกิดขึ้นเน่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่แค่นั้นไม่ได้ไม่ได้เดินพร้อมนั้ะทุกอย่างเหล่านี้เป็นอายตนะไง รูปบางอย่างก็เป็นรูปายตนะแต่ละอย่างก็เป็นอายตนะของเขาของเขาเพราะอายตนะนั้นก็จะเป็นปัจจัยอีกสิ่งหนึ่งนะจากสิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้เหตุเดียวทําให้เกิดผลเดียวมีไหมในโลกนี้ไม่มีไม่มีเหตุเดียวที่ทําให้เกิดผลเดียวแล้วมีผลเดียวที่เกิดจากเหตุเดียวมีไหมไม่มีเหตุเดียวไม่สามารถทําให้เกิดผลเดียวได้ผลเดียวก็ไม่สามารถทําให้เกิดเหตุเดียวได้แสดงว่าเหตุ อย่าหลายอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างในขณะเป็นเหตุของอย่างนี้แต่ไปเป็นผลของอย่างนั้นนะแต่การกล่าวถึงเหตุเดียวและผลเดียวมีประโยชน์ประโยชน์เช่นเอ้คุณป่วยเนี่ยนะที่คุณป่วยอยู่อย่างนี้เพราะหนักน้าตาลมากไปพราะว่งั้นเสมหะมากหรืองั้นมีหนักไปน้ําตาลหรืออ้วนมากเพราะอย่างไรอย่างไรก็กล่าวไปเหตุเดียวผลเดียวเพื่อสะดวกต่อการ แสดงเป็นบางอย่างหรือว่ามันชัดเจน น, นะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเหตุปัจจัยนั้นคงเป็นในมังเสาเนาะกล่าวถึงเรื่องเหตุปัจจัยเยอะๆหน่อยทีนี้เป็นอนัตตาเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจของของใครๆอย่างที่ว่าถ้าเขามีปัจจัยพร้อมสิ่งนั้น น, นก็ต้องมีขึ้นนะเสียงอัมาจะดังแน่นอนถ้าปัจจัยประชุมพร้อมเลยนะถ้าลองไฟดับดูดิปดเลยดังอยู่แค่นี้งๆ่ๆแค่นี้แหละ สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยคมสอนพระพุทธเจ้าอย่าลืมนะพระองค์แสดงในลักษณะของสังขารอันนี้จาวัตสังขาราสังขารที่เที่ยงไม่มีรอกแต่ว่าในสังขารแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นอ่ะองค์ประชุมของเขามากใช่มอย่างความคิดที่ยมนั่งคิดกันอยู่นี่เนี่ยคิดดูนักกว่าจะคิดได้ขนาดนี้นง่ายไหมบางคนเนี่ยนั่งให้มันได้คิดได้แค่ น, นี้ยังทาไม่ได้เลยเอา ให้คิดอยู่เป็นเรื่องเป็นธรรมะเนี่ยตลอดตลอดตลอดดันี้ยังคิดตามไม่ได้เลยอ่ะกว่าจะคิดได้ขนาดนี้นะปัจจัยเยอะนะนะสะสมความรู้พระธรรมมากี่ปีแล้วอ่ะหลายคนเนี่ยมานานเลยนะใช่ไหมสะสมความรู้พระธรรมมาค่อนข้างนานแล้วหนึ่งนี่เรียกว่าตะกูลปกตูุปนิสยาปัจจัยมานานแล้วต่อไปอีกปัจจัยยังไม่ใช่แค่นั้นนะมีอะไรอีกนะถ้าขณะนี้ ถ้าจิตขณะนี้เป็นกุศลถ้าความคิดอันนี้เป็นกุศลเหตุภายในที่สำคัญมากต่อกุศลและจิตคือโยนิโสโยนิโสก็คือตั้งใจฟังอ่ะพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ตั้งใจฟังนะความเข้าใจอันนี้จะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะความตั้งใจฟังความต่อเนื่องพวกนี้เป็นลักษณะของโยนิโสเกิดขึ้นแล้วปัจจัยภายนอกคือปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อกุศลก็คือเสียงจากที่อื่น ปรโตโคสะนะเหตุที่ทําให้กุศลจิตเกิดเหตุภายในคือโยนิโสมนัสิการะเหตุภายนอกคือปรตโตโคสะสองอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งกุศลอันปรตโตโคสะเนื้อเสียงที่อื่นก็อาศัยกาลยา น, นมิตรนั่นเองนั่นเห็นว่าเราเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครื่องนะเครื่องใดเครื่องมันเครื่องใดเครื่องมันะสะสมข้อมูลไม่เหมือนกันเรา มีข้อมูลไม่ไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยบอกเอา้าคุณลองคิดถึงเรื่องอริย ส, รสัตว์สีสิคิดให้นานที่สุดใคร่ครวนให้มากที่สุดบางคนก็อริยสตัตว์สีทุกสมุทรไทยนี้โลนมัดจบจบนะเพราะว่าข้อมูลข้อมูลมีเท่านั้นน่ะใช่ไหมฮะบางคนมากไปหน่อยทุกเออทุกคริยสัตว์นะ ได้แก่อุปาทานขันห้านะเออมันประกอบไปด้วยรูปยี่สิบแปดเจตสิกห้าสิบสองจิตอีป8ิตเอ็ดเออได้มาอีกหน่อยนะเออบางคนจะจบบางคนจะจบแค่นั้นใช่ไหมแต่บางคนเลยไปอีกนะอ๋อตรงนี้พระพภาธเจ้าทรงกำหนดว่าเออควรกำหนดรู้นะเอ๊อกำหนดรู้เนี่ยอะไรบางคนจบอยู่แค่นี้อนะบางคนรู้เออกาหนดรู้นี่มัน กำหนดรู้นี่แสดงว่ามันต้องรู้ทั่ว ร, รู้รู้รอบเป็นปริญญาอ่าไปได้อีกไกลไหมแมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมพิวเตอร์ของใครก็ของมันเนอนั่นแหละอุปนิสัยที่สะสมมาแตกต่างกันนะเมื่อสะสมมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วว่าหน้าตาจะเหมือนกันไม่ต้องกลัวไม่มีใครเรียนแบบได้คือบางคนเนี่ยปรึกจนบรรลุปเป็นพระอาริย บ, บุคคลได้เลยอะ่ะคิดหลังกันกันแล <จน S 2> ้วกันะ บางคนสามารถมีข้อมูลตรึกมากพอที่จะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้เลยอ่ะเช่ถามว่าถ้าไม่คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าชมหรือตำหนินะนะถ้าไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้นะปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปนะโดนตำหนิแนะ่ดูก่อนโม้อบุรุษการคิดอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าโยนิโสมนสิการเมื่อกี้ผมอ่านมาอตอนต้นผมอ่านให้ฟังใช่ไหมครับว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะฮะทให้ อาริยมรตมีองค์แปดเจริญขึ้นจเจริญถึงที่สุดด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจการอย่ารังเกียจกุศลวิตกนะวันนี้ก็อ่านกันนะที่บ้านก็เรียนการเรื่องกุศลวิตกอยู่เหมือนกันนะพระองค์บอกว่าถ้าอกุศลวิตกมันเกิดนะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนนะพระองค์พระองค์พิจารณาก่อนว่า ถ้าอากุศลวิตกเนี่ยถ้าปล่อยให้เกิดหนึ่งอกุศลวิตกทําให้เบียดเบียนตนทําให้ตนได้รับความทุกข์สองเบียดเบียนผู้อื่นทําให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและนะอากุศลวิตกที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปเป็นไปเพื่อให้ตัดขาดปัญญาทําให้ปัญญาที่เป็นโลกิยะและปัญญาที่เป็นโลกุตระตัดขาดไปและ กุศลวิปกวิตกเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพระองค์บอกว่าพอพระองค์พิจารณาอย่างนี้เนี่ยกุศลวิตกอันนั้นก็ไม่เกิดเสร็จแล้วพระองค์ก็พิจารณาถึงอานิสงส์ของกุศลวิตกกุศลวิตกนี้เมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญานะแล้วก็กุศลวิตกเหล่านี้เป็นไปเพื่อพระนิพพาน เราก็เลยตรึกวิตตกอันนั้นมากพอตรึกมากนะทั้งวันทั้งคืนก็เลยพอคิดมากก็เลยฟุ้งฟา่านฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิองค์ก็เลยตอนหลังพระองค์ก็มาตรึกอกุศลวิตตกอีกนั่นแหละแต่ว่ารู้เวลาเออเวลานี้มันจะฟุ้งฟ่านแล้วก็เจริญสมาธิก่อนแต่แล้วก็มาวิตกต่ อ, อวิตกอันนี้หมายถึงวิปัสสนาต้นๆอ่ะเขาเรียกว่าตรุณวิปัสสนาก็คือตั้งแต่ยานหนึ่งจนถึง ประเภทญาณะที่4ี่ตรุณวิปัสนาสังขารปริเฉทยานะปัจยะปริขหายานะสมณะายานะและอุทยะเบื้องต้นพวกนี้อาศัยการตรึกเขาเรียกว่าวิปัสนาอย่างอ่อนมีสอย่างผมก็ตรึกอย่างนี้มากๆนั่นแหละเพราะอาการที่ไม่ตรึกอย่างนี้เนี่ยมีโทษก็บอกว่าโทษของถ้าปล่อยให้จิตเป็นอกุศลหนึ่งนะเบียดเบียนตนเบียดเบียน ูเอิญเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อตัดขาดแห่งปัญญาไม่เป็นไปเพื่อพนิพานในทเวทาวิตักขสูตรมัชฌิมนิกายมูลปปหนาเล่มสนะิสองนั่งไปดูเอาเออเล่มสิบแปดก็ไปและจากอุทยพย า, ยานเนี่ยตรึกไปถึงตรึกอิงไหมก็ยังยานถงสูงขึ้นไปก็แต่ตรึกเรื่องอะไรก็ตรึกเรื่องขันนั่นแหละต่อไปคือเขามีเคยคิดไหม ก็บอกว่าถ <im iani> ้าหากว่าพระพุทุชนจะเป็นพระริยเจ้าเนี่ยทํำยังไงก็บอกพิจารณาขันท่าถ้าเป็นพระโสดาบันจะเป็นพระสกทาคามีทํำยังไงพิจารณาขันท่าเป็นพระสกทาคามีจะไปเป็นพระทหารจะทําไงก็พิจารณาขันท่าถ้าเป็นพระทหานทำยังไงก็พิจารณาขันท่าสรุปแล้วไม่ว่ายานไหนก็พิจารณาไปเถอะแม้แต่บรรลุเป็นพระรหารแล้ว <g ülme> ก็ยังพิจารณาขันห้าเอาถ้าไม่พิจารณาขันห้าก่อนจะเข้าพระสมาบัติไม่ได้<โ>อ่อแ <g ülme> <s hr ug> สดงว่าขันห้าเนี่ยมากมาก้ <g ülme> มีความสําคัญมากใช่ไห <จน S 2> มครับถ้าไม่พิจารณาขันห้าเข้านิโรธสมาบัติได้ไหมไม่ได้<อ> <g ülme> เพราะว่าคนที่จะเข้านิโรธสมาบัตินะเช่นเข้าปฐมฌานปุ๊บอกอกจากปฐมฌานพิจารณาปฐมฌานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าทุตยฌ า, านออกจากทุตยฌ า, าน พิจารณาทุทติยาชานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปียหน้าตาเข้าตติยชานอย่างเงี้ยจนถึงเข้าอากินจัญญายตนะพิจารณาอากินจัญญายตนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปียหน้าตาเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะจึงกระดับสัญญาและเวทนาได้ น, นั่นแหละมันต้องเครียกว่าถ้าเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวเข้าพระสมาบัติถ้าเจริญสมถะอย่างเดียวเข้าฌานสมาบัติถ้าทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเข้า นิโรธสมาบัตินี้พูดถึงสําหรับพระอนาคามีกับพระอรหันต์นั่นแหละที่กล่าวว่าพิจารณาขันธ์หาหมายความว่าแล้วบางองค์ก็หมายความว่าก็พิจารณาอริยสัจสีก็เหมือนกันออริยสัจก็คือขันธ์หานั่นแหละ<ช>หรือว่าบางองค์ก็พิจารณาอรยตนะก็เป็นวิปัสนาภูมิใ น, นวิปัสนาภูมิจะพูดนะตาเนี่ยเป็นจกักเป็นรูปขันธ์เป็นจักขายตนะเป็นจักคู่ธาตุ เป็นจกักขุนรีเป็นสลายยตนะในปฏิจจสมุปบาทเป็นอะไรอีกนะทุกสัตว์จะเอาข้อไหนก็ตานเดียวนั่นนะก็ครอครัวที่ฉลาดนะในเนื้อมาขีดเดียวแค่นั้นโอ้กับข้าวเต็มโตะเลยสรุปแล้วพระอรหันต์ก็มีนามรูปเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิหารธรรมเจริญพรก็มีการเจริญวิปัสสนาอยู่ก็แม้แต่เจริญแม้แต่บรรลุแล้วใช่ไหมครับเจริญพรแม้แต่บรรลุแล้วก็ยังพิจารณาอยู่ แต่พิจารณาเพื่อที่จะเข้าพระสมบัติพิจารณาเพื่อที่จะเข้านิโรธสมบัตินั่นแหละเข้าเพื่ออะไรครับก็เพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมนะการเข้าอย่างนี้เพื่อความอยู่สบายในปัจจุบันอย่างหนึ่งแล้วพระที่ออกจากพระสมบัติใหม่ๆเป็นต้นเนี่อรับอาหารบิณฑบาตจะมีผลมากมีอนิสงส์มากนั่นแหละการเข้านิโรธสมบัติเป็นต้นของพระหารเพื่อท่านอยู่สบายในปัจจุบัน แล้วก็คนที่มาทาบุญกับท่านก็จะได้รับผลมากกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีความสุขเหลือล้นเพราะว่าในระหว่างที่สาธุชนกำลังอนุโมทนาสาธุธรรมอยู่นั้นเนี่ยพระองค์ก็เข้ า, ขาสมาบัติไปเสียแล้วเข้าพระสมาบัติแล้วเข้าพระสมาบัติไปเสียแล้วใช่รหมเป็นผู้ที่ชํานาญมากพระผู้มีพระภาคนั้นหลังจากที่พระองค์เป็นพระอรหันต์จิตน้อมไปในการ น้อมไปในในธรรมะเป็นที่สิ้นไปอาสวะเนี่ยในธาตุที่ไม่มีนิมิตเนี่ยมากน้อมไปในอมะตะนิพพานธาตุเนี่ยมากจริงๆนั่นแหละแล้วทุกสู่ที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อวิวัตะอย่างเดียวนั่นแหละเป็นเป็นอัทยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นในเรื่องของอนัตตาต่ออีกนิดหนึ่งนะว่า ความเป็นอนุตตาก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไม่มีเจ้าของใช่ไหมถ้าพูดแบบภายนอกนะ อ, อแก้วน้ํำนี่มอของใครอยู่ในมือใครของคนนั้นแหละเรียกโดยสมมุตินะแต่เขาก็คือวินิโพคารุปะจะว่าของใครได้ใช่ไหมเพราวินิโพคารุปอันนี้ประชุมพร้อมของปัจจัยเส้นผมเราก็เหมือนกันจะว่าของเรามันก็ไม่เชิงนั่นนะมันก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอะ่ะถ้าบอกของเราเสร็จนะไม่หาปัใจจัยให้ดูติ พระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีผิวมีขนที่ละเอียดมากเลยนะเสร็จแล้วนะพระองค์ถ้าสมมุติถ้าบอกว่าข น, นนั้นเป็นของพระองค์นะพระองค์อดอาหารไปเรื่อย ๆ, ๆนะรูปเสจเนี่ยมันร่วงหมดเลยเพราะอาหารน้อยผมเนี่ยเส้นขนผมไี่เป็นของใครของอาหารของอาหารอย่างหนึ่งของจิตอย่างหนึ่งของกรรมอย่างหนึ่งของอุตุอย่างหนึ่งไอ้กรรมนั้นก็มาจากปัจจัยอย่างนะกรรมนี่มาด้วยปัจจัยกี่อย่าง กร ร, กรรมมีปัจจัยกี่อย่างนะถ้าคนฉลาดเขาจะตอบว่ากรรมที่ว่านี่คืออะไรนะเขาก็จะถามต่อไปอีกใช่ไหมเออกรรมที่ว่าหมายถึงกุศลหรืออกุศลใช่ไหมอกุศลกรรมนั้นเป็นทั้งทานศีลภาวนาประสงค์เอาข้อไหนนะทานศีลภาวนานั้นมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโทสะเป็นอารมณ์เอาอารมณ์ข้อไหนนั่นแหะนะในรูปเสียงกลิ่นรสนั้นอ่ะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรม เขาแยกๆแๆไปอีกนะเขาจะไม่รีบตอบนักหรอกนั่นแหละเป็นปัจจัยถ้ารูปารมณ์หรือว่าคันธารมลมละสารมณนั่นแหละเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งโดยอารมณะปัจจัยอ๋อแล้วปัจจัยอื่นแล้วครับปัจจัยอื่นๆของกุศลอีกก็คือปากตูปนิสยาปัจจัยของกุศลอนันตระปัจจัยของกุศลสัมปยุตตาปัจจัยเป็นต้นของกุศลนั้นๆกุศลแจิตก็ปัจจัยตั้งเยอะแยะนะ สัมปยุต ธ, ธรรมของกุศลจิตนี้มีเท่าไร่ถ้าสํานวนอภิธรรมมัตสังหะนะประมาณไม่เกินกุศลจิตที่มากที่สุดเลยมีเจตสิกประกอบสามสิบหกลวงในเฉพาะในมรรคจิตประเภทที่สงเคราะห์เป็นปฐมฌานะนอ่ะสามสิบหวงเว้นอัปมัญญาสองเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าสํานวนอภิธรรมปิดกนะกุศลธ ร, รรมเกินกว่าห้าสิบ กุศลธรรมเกิน50แต่ว่านับแล้วนับอีกเช่นศรัทธาเป็นศรัทธาพละศัพทินสีนนะเป็นสัพทินสีเป็นอะไรอีกศรัทธาข้อไหนอีกสติปัญญาอ่ามีศรัทธากับศรัทธาพละมีสองอย่างไหนั่นแหละถ้าหากว่าสติอ่ะเป็นทั้งสตินสีสติสัมโพชงสติพละสัมมาสติอย่างเงี้ยการที่กล่าวซ้ำๆอย่างนี้แค่เพียงกล่าวว่ากุศลธรรมเกินกว่า50นี้เป็นสานวนของ อภิธรรมปดกที่เป็นผู้จน์เลยก็ต้องถามว่าสํานวนไหนอีกครั้งนึงอ่ะเนาะโอ้เรื่องยาวจริงๆเลยแต่เรื่องเดียวนะจนกว่าจะประกอบเสร็จอะ่ะทีนี้ต่อไปอีกนะว่าที่เป็นอนัตตาเพราะอาจว่าว่างเปล่าว่วางเปล่าก็ความที่รูปนั้นว่างเปล่าจากภาวะนั้นโดยเว้นจากผู้อยู่อาศัย มีใครไปอาศัยอยู่ในรูปนั้นนั้นไหมสมมติได้เรายกอวินิโพครูปขึ้นมาหนึ่งรูปเลยมีใครไปอาศัยอยู่ในวินิโพครูปไหมไม่มีเนาะเขาบอกว่างจากผู้อาศัยว่างจากผู้สร้างเงเพราะวินิโพครูปอนั้นเกิดด้วยปัจจัยผู้เสวยอยู่ในตัวของเขาอีกก็ไม่มีอีกๆๆผู้ดํารงอยู่มั่นคงในนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าว่างเปล่าแต่รูปมีอยู่นะนะรูปมีอยู่แต่ผู้อาศัยผู้สร้างผู้เสวยผู้ดํารง ไม่มีเพราะฉะนั้นจริงชื่อว่าว่างเปล่าสุญญาตาไงสุญญาตาหรือว่าโดยความเป็นธาตุมันเป็นลักษณะนั่นแหละนี่แสดงถึงส ก, กายาทิฏฐิถ้าคิดบ่อยๆอย่างนี้สักกายะทิฏฐิหมดแน่ไม่ไม่เกิดถ้าคิดอย่างนี้ส ก, กายะทิฏฐิไม่เกิดแต่ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งปุ๊บสกายะทิฏฐิเข้ามาทันทีเลยแต่ถ้าส ก, กายะทิฏฐิจะเกิดนะเกิดลักษณะในสมมติ ง, ง่ายๆเลยนะเอเราในชาติที่แล้วมันเป็นอะไรไหม ทำบุญอะไรมากจึงเลยมาเกิดเป็นอย่างงี้าชาติหน้าเราจะเกิดอีกนะมันจะไปเป็นอะไรนะเออแล้วตายจากชาติหน้ามันจะไปเกิดเป็นอะไรอีกเนี่ยลักษณะของส ก, กายะทิฏฐิมันจะเป็นไปในลักษณะเนี่ยตายแล้วเกิดไหมตายแล้วเกิดไหมรู้ไหตายมันศูนย์มันศูนย์นั่นศูนย์ยังไงวะเนี่ยแต่ลักษณะนี้นะคิดแบบนี้บ่อยๆส ก, กายะทิฏฐิจะเข้ามาแล้วเข้ามาเสร็จแล้วไม่แน่กเดียดเป็นอุเฉททิฐิต่อไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นทิฏฐิที่คนแก้ไขไม่ได้ คิดจนให้คนแก้ไขไม่ได้เลยนะทําทได้ไหมโอ้เรื่องเอเรื่องอายโยนิสมราัิการนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเจนพรศัตริสมประเภทนี้ก็ปล่ยกลายเป็นนิยตตาไปได้ใช่ไหมเจนพรก็คติสองของฝนผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิฤชาชานกับนรกนรกก็มีประเภทโลกันดานรกพิเศษสําหรับของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิเลยนี่ผมยิ่งเห็นความสําคัญของการกา ร, รการคิดมิจฉาสังกปะนี่ เป็นปัดใ จ, จให้เกิดนี่จะตามมิจฉาทิฏฐิได้นั่นแหละเคอในหัวข้อทิฏฐิเนี่ยวิตกก็เป็นเหตุของทิฏฐิด้วยใช่ไหมนั่นแหละในปฏิสามพิธามักเหตุของมิจฉาทิฏฐิมีแปดอย่างนะวันหลังจะเอามาว่าใังวันนี้จําได้ไม่หมดหรอกต่อไปนะไม่มีสภาวะที่เป็นอัตตาในตัวของรูปเองเนี่ยไม่มีสภาวะที่เป็นอัตตาที่พวกลัทธิอื่นคาดคิดเอานั่นเอง ใครจะไปคิดว่าในตัวรูปมีอัตตาอยู่ในนั้นอัตตาที่ว่าคืออะไรใช่ไหมมังสวินิภพครูปแปดอ่ะมันจะไปถามหา อ, าอะไรอีกในนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอย่างที่เขาคิดหรอกเชื่อว่าปฏิเสธอัตตานั่นแหละข้อนคนที่มีปัญญาอย่างว่องไวก็คือเข้าไปในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณีตนะรูปที่ไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นแล่นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อย่างนี้ชื่อว่าเป็นชาวะปัญญามีปัญญาไวอ๋อนะเมื่อไหร่จะไวอย่างนี้มั่งนะจะไวได้ยังไงโถไม่เคยซ้อมเลยก็บอกว่าคนที่ยิงอมือปืนที่นะคนที่ยิงปืนที่ยิงได้ไวยิงได้ไกลยิงได้แม่นยำเนี่ยเขาซ้อมประจำเลยนะทำไมซ้อมเนี้ยมือตกพิจารณาเรื่องนี้ก็เหมือนกัน ผมไม่เคยซ้อมเลยแหมจะชักมาก็ยิงตั้งมัง่งมเอ า, าเฉพาะจุดตายด้วยโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นนะอะยิงไดยจะซ้อมเองครับซ้อมตอนแก่ผลัดไปอยู่เรื่อยครับใช่ไหมหมดแล้วหรอครับอ่าไม่หมดหรอกวันนี้คงไม่หมดเลาเท่านี้นะฮะไว้วหลังต่อก็ท่านมีปัญหาอะไรก็ถามทักปัญหาสิครับความคิดการตรึกเนี่ยนะถ้าตึกเป็นเรื่องของสัตว์บุคคลเนี่ยนะ เรื่องอัตราบ่อยๆนะอย่างที่ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเอ้เรามาจากไหนเราตายเราจะไปไหนไหน่าอะไรเกิดเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนเอ้คิดบ่อยๆเขาตรงนี้นะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันเป็นนิจตาไปได้นะฮะกลายไปเป็นนิยตา <นะ S 1> ได้คือพอปฏิเสธพอคิดไปนะมันจะคิดเอเรา น, นี่เป็นใครวะเรานี่มาจากไหน เ, เรานี่มีคนสั่งมาหรือเปล่านี่ มีคนควบคุมเราหรือเปล่าว่าตอนนี้ เ, เราหรือเราไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไอ้ที่เราทําทำนี่ยมันใครให้ทํากันแน่จะทําไปทําไมวะเนี่ย เ, เออทาแล้วที่สุดของการกระทํานี่มันจะเป็นยังไงนะ่ะเออแล้วคนอื่นทําไมก็ต้องทําอย่างนั้นเสร็จแล้วคิดไปวนไปวนมาวนไปวนมาคิดไปคิดมาเออเนาะคนเราเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็เผาเออจบกันเลยลใช่ไหมอ่าเรเป็นอุเฉททธิเติเลยเป็นอุเฉททธิเตยเลยแล้วก็พอเป็นอุเฉทัทธิเตยปั๊บนะ โอนี่ชีวิตมันก็แค่ตายใช่ไหมตายสดก็จบกันพ่อแม่เนี่จะมีคุณอะไรนะพ่อแม่ก็ไม่มีบุญคุณครูอาจารย์ไม่มีบุญคุณกรรมดีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นรีบเสวยเถอะรีบทำกรรมเถอะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะรีบแสวงหาความสุขเถอะนี่พระเรียเจ้ามากมยายองแปนี่หลอกกันนี่ใช่ไหมตายเลยไปกันใหญ่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมผลของกรรมเนี่ยอุย้ยเขาเขาบอกว่าการให้ทานนะ คนงูบัญญัติไว้คนฉลาดเป็นคนรับทานางนนั้น้นี่เป็นลักษนาอหนึ่งของมิจฉาทิฏฐิมันคิดให้มันเป็นบาปนะพักเดียวไม่ยากของอามาในคล่องเลยแต่ตรงข้ามถ้าคิดเป็นบุญนะมันก็ไปได้ดีสุดๆเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมครับอ น, นี่อํานาจการอันนี้คล่องไม่มากผมอยากจะให้คนนะเข้าใจตรงนี้เนี่ยมากๆเลยผมะนะ